ความรู้สึกที่ถึงกับทาให้ออกผนวดภิษุททั้งหลายในโลกนี้ครั้งก่อนแต่การตรัสรู้เมื่อเรายัางไม่ได้ตรัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ตนเองมีความเกิดเป็นธรรมดายอยู่แล้วก็ยังมัวหลงสแสวงหาสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดายอยู่นั่นเองตนเองมี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 เป็นธรรมดาอยู่นั่นเองอีกภิสษุทั้งหลายก็อะไรเล่าเป็นสิ่งที่มีความเกิดมีความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาภิสษุทั้งหลายบุตรและพัญญามีความเกิดเป็นธรรมดามีความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาธาตุหญิงธาตุชาย มีความเกิดเป็นธรรมดามีความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาแพะแกะมีความเกิดเป็นธรรมดามีความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาไก่สุกรมีความเกิดเป็นธรรมดามีความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาช้างโคม้าลามีความเกิดเป็นธรรมดา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 ความคิดอันนี้ได้เกิดขึ้นแกเราว่าทำไมหนอเราซึ่งมีความเกิดความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาอยู่เองแล้วจะต้องไปมัวแสวงหาสิ่งที่มีความเกิดความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาอยู่อีกเช่ไหนหนอเราผู้มีความเกิดความเศร้าหมองโดยรอบด้าน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 บวชเป็นผู้ไม่มีเรือนแล้วภาระทวาชะในโลกนี้ครั้งก่อนแต่การตรัสรู้เมื่อเรายัางไม่ได้ตรัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ความคิดนี้เกิดมีแกเราว่าครวาดคับแคบเป็นทางมาแห่งทุลีส่วนบรรพชาเป็นโอกาสว่าง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 การทำความเพียรแข่งกับอนาคตตภัยในกรณีของภายในอนาคต5ประการที่พระตถาคตได้ตรัสเตือนอภิกษุทั้งหลายเอาไวนะ้เป็นเหตุให้เราทราบว่าเวลาในอนาคตนั้นไม่มีใครที่จะสามารถรู้หรือกำหนดได้นะว่าความแก่เจ็บตายของเราเนี่ย จะมีมาเมื่อไหรนะ่หรือว่าข้าวปลาอาหารเนี่ยมันจะขาดสนเมื่อไหรนะ่หรือว่าจะมีเหตุเพศภัยต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นโจรป่า ก, กาเริบหรือว่ามีการแตกกันของสงฆนะ์ซึ่งนั่นก็คือผู้นำที่จะมาบอกสอนพระสัตยธรรมนั้นนะเกิดการแตกแยกกันซึ่งธรรมชาต ต่างๆเหล่านี้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยเป็นสิ่งที่เราคาดการไม่ได้พระองค์จึงให้เราเนี่ยเร่งปารัความเพียนเพื่อให้ถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อว่าเมื่อเกิดเหตุเพศภัยต่างๆเหล่านี้แล้วเราจะได้ไม่มีความทุกโศกมากเพราะเราจะมีวิหารธรรมเครื่องอยู่ของเรา ภิกษุทั้งหลายภายในอนาคตเหล่านี้มีอยู่หประการซึ่งภิกษุผู้มองเห็นอยู่ควรแท้ที่จะเป็นผู้ไม่ประมาทมีเพียรเผากิเลสมีตนส่งไปแล้วในการทําเช่นนั้นอยู่ตลอดไปเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทําให้แจ้ง สิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งเสียโดยเร็วภายในอนาคตห้าประการนั้นคืออะไรบ้างเล่าห้าประการคือภิกษุในกรณีนี้พิจารณาเห็นชัดแจ้งว่าบัดนี้เรายังหนุ่มยังยาววัยยังรุ่นขนองมีผมยังดำสนิท ตั้งอยู่ในวัยกำลังเจริญคือปฐมวัยแต่จะมีสักคราวหนึ่งที่ความแก่จะมาถึงร่างกายนี้ก็คนแก่ถูกความชราครอบงมแล้วจะมานาสิการถึงคำสอนของท่านผู้รู้ทั้งหลายนั้นไม่ทำได้สะดวกเลยและจะเสพเสนาสะนะอันเงียบสงัดซึ่งเป็นป่าชัด ก็ไม่ทำได้ง่ายๆเลยก่อนแต่สิ่งอันไม่เป็นที่ต้องการไม่น่าใกร้ไม่น่าชอบใจนั้นจะมาถึงเราเราจะรีบทำความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทันทำให้แจ้งเสโดยเร็วซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้พูดถึงแล้วแม้จะแก่เท่า ก็จะอยู่เป็นภาสุขดังนี้ 2. ภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกภิกษุพิจารณาเห็นชัดแจ้งว่าบัดนี้เรามีอาพาธน้อยมีโรคน้อยมีไฟธาตุให้ความอบอุ่นสม่าเสมอไม่เย็นนักไม่ร้อนนักพอปานกลาง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 ก็จกอยู่เป็นผาสุขดังนี้ 3. ภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกภิกษุพิจารณาเห็นชัดแจ้งว่าบัดนี้ข้าวกล้า ง, งานดีบินทะหาได้ง่ายเป็นการสะดวกที่จะยังชีวิตให้เป็นไปด้วยความพยายามแสวงหาบินทบาท แต่จะมีสักคราวหนึ่งที่พิกษาหายากข้าวกล้าเสียหายบินทะหาได้ยากไม่เป็นการสะดวกที่จะยังชีวิตให้เป็นไปด้วยความพยายามแสวงหาบินทบาดเมื่อพิกษาหายากที่ใดพิกษาหาง่ายคนทั้งหลายก็อบพยพ ก, กันไปที่นั้นเมื่อเป็นเช่นนั้น ความอยู่คลุกคลีปะปนกันในหมู่คนก็จะมีขึ้นเมื่อมีการคลุกคลีปะปนกันในหมู่คนจมณนาสิการถึงคำสอนของท่านผู้รู้ทั้งหลายนั้นไม่ทาได้สะดวกเลยและจะเสพเสนาสะนะอันเงียบสงดัดซึ่งเป็นป่าชัดก็ไม่ทาได้ง่ายๆเลยก่อนแต่สิ่งอันไม่เป็นที่ต้องการ ไม่น่ารักใครไม่น่าชอบใจนั้นจะมาถึงเราเราจะรีบทําความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทาให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทําให้แจ้งเสโดยเร็วซึ่งเป็นสิ่งที่ทําให้พูดถึงแล้วจักอยู่เป็นผาสุขแม้ในคราวที่เกิดทุพพิฆภัยดังนี้สี่ ภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกภิกษุพิจารณาเห็นแจ้งชัดว่าบัดนี้คนทั้งหลายสมัครสมานชื่นบานต่อกันไม่วิวาทกันเข้ากันได้ดุดดังนมผสมกับน้ำมองแล ก, กันด้วยสายตาแห่งคนที่รักใครกันเป็นอยู่แต่จะมีสักคราวหนึ่งที่ภัย คือโจรป่ากำเริบชาวชนบทพุกขึ้นอยู่ในอาณาจักรแต่กระจัดกระจายแยกย้ายกันไปเมื่อมีภัยเช่นนี้ที่ใดปลอดภยัยคนทั้งหลายก็อบพยศ ก, กันไปที่นั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นความอยู่คลุกคลีปะปนกันในหมู่คนก็จะมีขึ้นเมื่อมีการอยู่คลุกคลีปะปนกันในหมู่คนจะมณนาสิการ ถึงคำสอนของท่านผู้รู้ทั้งหลายนั้นไม่ทำได้สะดวกเลยก่อนแต่สิ่งอันไม่เป็นที่ต้องการไม่น่าใคร่ไม่น่าชอบใจนั้นจะมาถึงเราเราจะรีบทำความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งเสียโดยเร็ว ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้พูดถึงแล้วจักอยู่เป็นภาสุขแม้ในกล่าวที่เกิดโจรภัยดังนี้ 5. ภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกภิกษุพิจารณาเห็นชัดแจ้งว่าบัดนี้สงสามัคคีปรองดองกันไม่วิวาดกันมีอุเทศเดียวกัน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 สิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งเสียโดยเร็วบทอธิษฐานจิตเพื่อทำความเพียรภิกษุทั้งหลายเรายังรู้สึกได้อยู่ซึ่งทำสองอย่างคือความไม่รู้จักอิ่มจักพอในกุศลธรรมทั้งหลายและความเป็นผู้ไม่ถอยกลับ ในการทำความเพียรภิกษุทั้งหลายเราย่อมตั้งไว้ซึ่งความเพียรอันไม่ถอยกลับด้วยการอธิษฐานจิตว่าหนังเอ็นกระดูกจักเหลืออยู่เนื้อและเลือดในสรีระจักเหือดแห้งไปก็ตามทีประโยชน์ใดอันบุคคลจะบรรลุได้ด้วยกำลัง ด้วยความเพียรด้วยความบากบั่นของบุรุษถ้ายัางไม่บรรลุประโยชน์นั้นแล้วจะหยุดความเพียรเสียเป็นไม่มีดังนี้ภิกษุทั้งหลายการตรัสรู้เป็นสิ่งที่เราถึงทับแล้วด้วยความไม่ประมาทอนุตตรโยคเขมธรรมก็เป็นสิ่งที่เราถึงทัพแล้ว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 ด้วยกำลังด้วยความเพียรด้วยความบากบั่นของบุรุษถ้ายัางไม่บรรลุประโยชน์นั้นแล้วจกหยุดความเพียรเสียเป็นไม่มีดังนี้แล้วไซส์ภิษุทั้งหลายพวกเธอก็จะ ก, กระทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองซึ่งที่สุดแห่งพรหมจันทร์อันไม่มีอะไรอื่นยิ่งกว่า อันเป็นประโยชน์ที่ต้องการของกุลบุตรผู้ออกบวชจากเรือนเป็นผู้ไม่มีเรือนโดยชอบได้ต่อการไม่นานในทิฏฐธรรมเข้าถึงแล้วแลอยู่เป็นแน่นอน